เรากําลังพูดถึงประเด็นที่สําคัญมีในยะลึกมันละเอียดซับซ้อนอย่างยิ่งนั่นคือประเด็นที่ว่าฌานสี่ที่ได้โดยความยากในวงเล็บกิจฉะได้โดยความลําบากในวงเล็บกสีระกับฌานสี่อีกชนิดหนึ่งที่เป็นฌานสี่ของพระพุทธเจ้าที่ทรงยืนยันว่าได้โดยไม่ยากในวงเล็บอกิชะลาภีได้โดยไม่ลําบากในวงเล็บ อากศซิระลาพีและได้อธิบายสายายไปถึงความเป็นโลกซึ่งหมายถึงสภาวะหนึ่งหนึ่งที่มีมวลธาต์รวมกันขึ้นมาและองค์รวมนั้นพากันเคลื่อนไปเป็นอาการอยู่ในเอกภพเกิดวงโครจรเองบ้างอาศัยไปกับหมู่อื่นที่โครจร อ, อยู่บ้างแต่และความเป็นโลกมีมหาพูดสี่ประกอบกัน ยึดกันอยู่เป็นองค์รวมซึ่งจับตัวกันขึ้นเป็นรูปร่างด้วยพลังงานที่ไม่เป็นชีวะในองเล็บอาชีวิตินรีเรียกว่าสรีระก็เป็นรูปร่างของขันในองเล็บรูปประขันของธาตุในองเล็บรูปประธาตุที่ยังไม่เรียกว่ากายเพราะเป็นมวลที่เป็นแค่วัตถุ ถ้าเป็นมวลประกอบขึ้นเป็นองคาพยพของมนุษย์พระพุทธเจ้าตรัสว่ามีถึงสาสิบสองอาการในวงเล็บทวัติงสาการรวมกันอยู่ตั้งแต่ภายนอกผมขนเล็บฟันผิวหนังที่ยังไม่นับว่าเป็นกายผมขนเล็บฟันผิวหนังคือส่วนที่ไม่นับว่าเป็นกายเพราะส่วนนั้น พ้นออกมาจากวงโครจรของรูปและนามแม้แต่ประสาทของผมขนเล็บฟันผิวหนังส่วนนั้นก็ไม่มีจิตมโนวิญญาณเข้าไปทำหน้าที่ด้วยแล้วแต่เพราะผมขนเล็บฟันผิวหนังนี้เชื่อมติดอยู่เป็นร่างในวงเล็บคือสรีระแต่ไม่ใช่กาย ในองคาพยพของความเป็นมนุษย์ยังติดอยู่กับที่ยังมีภาษาทรูปและยังมีโคจรรูปถ้าสองรูปนี้ไม่สัมผัสกันจนเกิดอายตนะให้วิญญาณเกิดขึ้นร่วมครบสัมผัสสามเป็นองค์รวมก็ไม่มีกายเกิดพลังงานทางวิสิกที่ทำหน้าที่อยู่ ในอาการ32นี้เป็นพลังงานอุตุนิยามมีอยู่ประจำตั้งแต่ยังไม่เป็นชีวะและกระทั่งเป็นชีวะแต่หากไม่ถึงขีดแห่งความเป็นจิตนิยามก็นับว่าเป็นชีวะขั้นผีชนิยามพระพุทธเจ้าทรงนิยามหรือจำกัดความเป็นชีวะ ในองค์คาพยพบไว้สองประเภทประเภทหนึ่งขั้นหนึ่งคือผีชนิยามอีกประเภทหนึ่งคือจิตนิยามพลังงานที่ประกอบกันอยู่ยังไม่ครบถ้วนพอเรียกว่าเวนยสัตว์หรือมนุษย์หรือเทวดาเพราะยังไม่มีภาวะถึงขั้นสูง เพราะยังไม่มีภาวะถึงขั้นศูนเพราะยังไม่มีภาวะถึงขั้นสุระในวงเล็บสุระภาโวหรือสุรากายประชุมกันเต็มพร้อมถึงขั้นตาวติงสาการในวงเล็บอาการสาซึ่งท่านนับเอาตั้งแต่ผมขนเล็บฟันผิวหนังประจน์ถึงเนื้อเอ็นกระดูก กระทั่งถึงน้ำมูกไขข้อมูดมันสมองพร้อมทั้งสัญญาและใจที่เป็นองคาพยพบของความเป็นชีวะพลังงานนั้นก็ยังไม่ใช่พลังงานระดับจิตนิยามพลังงานแห่งชีวะนั้นก็คือพลังงานระดับผีชนิยามเท่านั้นพลังงานผีชนิยามนั้นมีหน้าที่กําหนดรู้ในองเล็บสัญญา ว่าอะไรเป็นอะไรตามรหัสความจำในนงเล็บสัญญาของอาการแต่ละอาการชีวะของผีชนิยามก็คือทำหน้าที่ให้มีชีวะตามรหัสแห่งภาวะแต่ละอาการนั้นๆจัดการสร้างปรุงแต่งนงเล็บสังขารให้เกิดด้วยอาหารให้เป็นภาวะตามที่ตนมีรหัสเท่านั้นได้อาหารมาก็เอา ไม่ได้ก็ไม่หงุดหงิดไม่รําคาญหรือไม่อึดอัดกังวลใดๆเลยพลังงานพีชานิยามนี้ยังไม่มีอารมณ์ชอบหรืออารมณ์ชังยังไม่ถึงขั้นยึดเป็นตนหรือทําร้ายสิ่งที่ตนหรือทําร้ายสิ่งที่ไม่ใช่ตนขณะนี้เรากําลังถอดรหัสพันธุ ก, กรรมของจิตวิญญาณหรือกําลังถอดรหัส DNA ของจิตวิญญาณให้ละเอียดยิ่งขึ้นเข้าไปถึงจีโนมหนเงล็บจีโนมให้เห็นความเป็นพลังงานที่ลึกซึ้งให้เห็นให้เห็นความเป็นพลังงานที่ลึกยิ่งซับซ้อนยิ่งของจิตวิญญาณว่ามันมีอีกมากกว่ามากใน DNA ของจิตวิญญาณทั้งหลาย ตามความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพีชานิยามมีพลังงานลักษณะแม่เหล็กคือมีพลังดูดดึงหรือพลังงานลักษณะไฟฟ้าคือย่อยสลายและสร้างสรร์ภาวะแห่งเผ่าพันธ์ที่สืบต่อมาตามรหัสที่ตนมีเท่านั้นไม่ไประรานสิ่งอื่นส่วนอื่นนอกตนนอกจากย่อยสลายเอาสิ่งที่ได้มาแล้ว ใชใ้สร้างชีวะให้ตนเองก่อตัวให้เกิดให้เป็นอยู่เท่านั้นผีชนินยามมีดี a ที่ชื่อว่าสังขารแต่ยังไม่เข้าขั้นจิตยังไม่เข้าขั้นวิญญาณจึงเป็นสังขารที่ไม่มีวิญญาณครองมนุษย์มีอาการ32ในองเล็บทวติงสาการเป็นองคาพยบบางอาการเคยเป็นชีวะขั้นผีชนินยามมาแล้ว แต่ใน DNA ยังไม่มียีนที่เข้าขั้นเวทนาธาตุจึงยังไม่ชื่อว่าจิตนิยามเพราะยังไม่มีพลังงานที่มีอาการของเวทนายังไม่มีอารมณ์สุขหรืออารมณ์ทุกข์นั่นเองก็ยังไม่เข้าขั้นเป็นวิญญาณหรือจิตภีชนนิยามจึงยังไม่มีรักมีชังยังไม่มีภัยต่อชีวะใดยังไม่พยาบาท หรือยังไม่ผูกพันเกินรหัสที่ตนมีจึงยังไม่เข้าขั้นจิตนิยามอาการ32ในคนส่วนใดที่พลังงานขั้นวิญญาณเข้าไปทำงานร่วมด้วยไม่ได้ก็ไม่ชื่อว่ากายส่วนนั้นมี DNA แค่ขั้นพืชสังขารที่ยังไม่มีเวทนา จึงเป็นแค่สิ่งที่ปรุงแต่งกันอยู่เป็นชีวะระดับหนึ่งแต่ยังไม่มีวิญญาณครองในองเล็บอนุปาทินกะสังขารพลังงานชีวะระดับนี้จึงยังไม่มีวิบากกรรมยังไม่นับว่าทำกรรมแล้วมีผลเป็นวิบากของตนพลังงานชีวะระดับนี้ทำกรรมแค่ตามรหัสที่ตนมีเท่านั้นไม่นอกเหนือไปกว่ารหัสที่มี ไม่ต้องเป็นทายาทของกรรมจึงยังไม่มีผลของกรรมในวงเล็บวิบากที่จะสืบต่อผูกพันไปถึงชีวิตของมันในชาติต่อๆไปเพราะพลังงานระดับผีชนิยามนี้จะไม่เอาธาตุอื่นในวงเล็บปร ะ, ระที่นอกระหัดมาเป็นอาหารใส่ตนเนื่องจากพลังงานผีชนิยามยังไม่มีคุณสมบัติหรือยังไม่มีสมรรถภาพที่พิเศษกว่า เก่งกล้ากว่าพลังงานที่สูงกว่าตนพลังงานผีชนิยามจึงไม่สามารถจะบังอาจเบียดเบียนรุกรานพลังงานขั้นจิตนิยามได้หรือจะมองไปในแง่ว่าผีชนิยามสุภาพดีไม่ไปละลาบระล้วงจิตนิยามก็ได้ซึ่งแตกต่างจากชีวะที่เป็นจิตนิยามสำคัญมากในประเด็นนี้คือ พลังงานที่เป็นชีวะขั้นจิตนิยามนั้นถ้ามันมีความพยองหรือมันถือดีขนองถึงขีดมันเบียดเบียนหรือรุกรานชีวะอื่นแม้จะเป็นชีวะที่มีฐานะสูงส่งกว่าตัวมันมันก็ไม่ไว้หน้าถ้ามันเป็นจิตนิยามที่ชั่วที่เลวเว้นแต่จิตนิยามที่ดีจึงจะไม่ทําไม่เบียดเบียนรุกรานผู้อื่น จินยามที่ประเสริฐสูงสุดในเ็บอารหารันนั้นไม่เบียดเบียนลุกรานผู้ใดเลยและพลังงานผีชิยามมันก็ไม่ทำเด็ดขาดมันยังไม่มีรหัสนี้ในตัวมันเพราะมันยังไม่มีตัวตนหรือมันยังไม่ถือเนื้อถือหรือมันยังไม่ถือหรือมันยังไม่ถือตัวถือตนว่าใหญ่ หรือมันยังไม่ถือตัวถือตนว่าตนใหญ่ตนพยองพองขนจนรุนแรงถึงขีดสังขารที่เป็นชีวะขั้นผีชนียามนี้จึงไม่มีพลังงานที่ทําอะไรแปลกแยกออกไปเป็นอื่นอีกในโงเล็บ อ, อปาระจึงยังไม่มีอ ป, ประโคยานยังไม่เป็นพลังงานที่ทําเกินหน้าที่หรือเกินรหัสจากกรอบแห่งพลังงานตามรหัสที่จํากัด ความเป็นชีวะขั้นนี้มีกรอบขอบเขตอยู่แค่นี้จึงเป็นพลังงานที่ใช้พลังงานอยู่ในกรอบของสัญญาและสังขารเท่านั้นสัญญาของพิชนิยามนี้คือขอบเขตความสามารถที่กำหนดรู้ด้วยสมรรถนะเท่านี้ยังไม่มีความสามารถยิ่งกว่านี้ ที่จะกำหนดรู้ภาวะที่สูงส่งกว่านี้ยากกว่านี้ได้ยังไม่มีพลังงานกำหนดรู้รหัสอื่นในวงเล็บประพลังงานที่จะทำงานอื่นในวงเล็บประเกินกว่านี้และไม่มีพลังงานรุนแรงร้ายกาศที่จะทำการลุกราน หรือทำร้ายทำแรงแม้แต่เบียดเบียนแก่พลังงานทั้งที่สูงกว่าทั้งที่ต่ำกว่าตัวเองมันจะยังไม่มีพลังงานอย่างนี้ซึ่งแตกต่างจากจิตนิยามที่มีสัญญาแตกต่างจากสัญญาของผีชนิยามอย่างมีนัยยะสำคัญคือจิตนิยามจะมีพลังงานละเอียดลึกซึง้งรอบรู้ชาญฉลาดที่จะรู้ และจะทำการเบียดเบียนทำการรูกรานหรือทำร้ายทำแรงแก่พลังงานที่สูงกว่าตัวเองก็ตามที่ต่ำกว่าตัวเองก็ตามได้ถ้าพลังงานนั้นชั่วหรือเลวและจิตนิยามนั้นมีสัญญาที่แตกต่างจากสัญญาของพีชนิยามอย่างมีในยะสำคัญประเสริฐยิ่งก็คือจิตนิยามจะมีพลังงานรูปหนึ่ง จิตนิยามจะมีพลังงานละเอียดลึกซึ้งรอบรู้ชาญฉลาดที่จะทำการช่วยเหลือสงเคราะห์เกื้อกูลเสียสละแก่พลังงานที่สูงกว่าตัวเองก็ตามที่ต่ำกว่าตัวเองก็ตามได้ถ้าพลังงานนั้นดีเป็นกุศลจิตดังนั้นพีชนิยามจึงเป็นเผ่าพันความเป็นพลังงานอยู่ตามรหัสเดิมยังไม่มีรหัสอื่นในเล็บประ นอกจากรหัสที่ตนมีอยู่และทำกรรมกิริยาได้เท่าที่ตนมีรหัสเหมือนหุ่นยนต์แต่ละตัวที่มีประสิทธิภาพเท่าที่ตนมีรหัสยังไม่มีอัประโคยานเพราะมันไม่มีรหัสใดเลยที่จะเป็นพาหะเพราะมันยังไม่มีรหัสใดเลยที่จะเป็นพาหะ พาให้ผีชนิยามหรือชีวะขั้นนี้ใช้พลังงานทำอะไรออกไปเกินกรอบแห่งชีวะที่ตนมีรหัสเท่าที่ตนมีจึงเป็นได้แค่สังขารที่ไม่มีกรมครองไม่มีวิบากครองในงเงล็บอนุ ป, ปาธินกะสังขารจนกว่าพลังงานแห่งผีชนิยามนั้นจะพัฒนาก้าวหน้าถึงขีดเข้าขายจิตนิยาม ผีชนิยามจึงไม่สามารถที่จะมีผีชนิยามจึงไม่สามารถจะมีพลังงานเกินรหัสที่ตนมีอะไรที่เกินกว่าสัญญาคือความจำในรหัสที่ชีวะนี้มีมันทำไม่เป็นมันไม่ทาจึงเป็นพลังงานที่มีอัตโนมัติเฉพาะความเป็นชีวะระดับผีชนนิยามนี้แค่นั้นยังไม่มีพลังงานดูด ในวงเล็บ อ, อารมณ์ชอบอิทธาลมพลังงานผลักในวงเล็บอารมณ์ชังอนิฐาลมที่เกินกว่ารหัสที่ตนมีมีแต่พัฒนาตนอยู่ในตนเท่านั้นแม้จะพบหรือสัมผัสอะไรอื่นในวงเล็บประเกินกว่ารหัสที่ตนมีแล้วต้องอยากได้ในวงเล็บตัณหาเพิ่มขึ้น มาปรุงแต่งในเง่เล็บสังขารใส่ความเป็นตนให้ยิ่งใหญ่จากรหัสที่ตนมีเข้าไปอีกผีชนิยามนี้ยังไม่มีการยึดเกินกว่าที่กำหนดไว้ในเงอเล็บสัญญานั้นหรือผีชนิยามมีการยึดว่านี่คือเราตามรหัสถ้าสิ่งใดที่ไม่ใช่เราเข้ามาแตะเข้ามาสัมผัสก็จะไม่ชอบใจ แล้วมีเจตนาถึงขั้นต้องทำลายหรือทำร้ายสิ่งนั้นอันเกินกว่ารหัสที่ตนมีผีชนิยามนี้ก็ไม่ทำผีชนิยามจึงป้องกันตัวเองได้น้อยมากแม้แต่การได้เหตุปัจจัยมาใส่ตนให้เป็นชีวะอยู่ของผีชนิยามนั้นมันก็รู้แค่ตามรหัสที่ตนกำหนด ตามรหัสที่กำหนดแล้วก็ทำในตนเท่านั้นจะมีความรู้สึกว่าหากได้เหตุปัจจัยมาก่อเกิดความเป็นชีวะตามรหัสที่มีแล้วมันก็มีความรู้สึกชอบใจดีใจเป็นสุขก็ยังไม่มีแม้แต่ไม่ได้มาตามรหัสที่มีอยู่แล้วเสียใจก็เป็นทุกข์อย่างนี้ก็ไม่มี ผีชนิยามนี้จึงไม่มีทั้งอารมณ์สุขไม่มีทั้งอารมณ์ทุกยังไม่มีเวทนาชะนีแหลเหตุสังขารธาตสังขารขั้นผีชนนิยามนี้จึงยังไม่ถึงขั้นวิญญาณเพราะพลังงานระดับนี้ยังไม่มีความเป็นเวทนาไม่รู้สึกหรือไม่มีอารมณ์ พีชัิยามนี้จึงไม่มีทั้งความอยากได้มาเกินกว่ารหัสก็ไม่มีกิเลสไม่มีบาปพีชัิยามจึงไม่จําเป็นต้องใช้บุญมากําจัดบาปใดๆพีชัิยามจึงเป็นภาวะที่ไม่มีทุกข์ในองเล็กเวทนาไม่มีสุขในองเล็กเวทนาไม่มีบาปไม่มีบุญ พลังงานขั้นนี้มันมีแค่พีชนิยามเพราะประสิทธิภาพยังไม่มีองค์ประกอบของรูปและนามในเงล็บกายถึงขั้นพลังงานจิตนิยามจิตนิยามต้องมีรูปมีนามครบรูปนามขันห้าคือมีทั้งรูปหนึ่งและมีทั้งนาม4คือ เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่พิชนิยามนั้นมีแค่รูปหนึ่งกับนามสองในวงเล็บแค่รูปสัญญาสังขารไม่มีเวทนาวิญญาณพิชนิยามจึงไม่มีความเป็นกายจนกว่าพลังงานนั้นจะมีอาการที่เรียกว่าเวทนา อง์ประชุมของพลังงานกลุ่มนี้จึงจะเรียกอาการแห่งชีวานั้นว่าวิญญาณหรือจิตจึงจะมีคุณสมบัติถึงขั้นกายวิญญาณหรือจิตนั้นต้องมีจิตวิญญาณหรือจิตนั้นต้องมีเจตสิกสาคือเวทนาสัญญาสังขารและต้องมีสัมผัสอยู่กับ รูปภายนอกอยู่เสมอด้วยจึงจะชื่อว่ากายหากไม่มีสัมผัสก็ไม่ชื่อว่ากายดังนั้นกายจึงต้องมีองค์ประกอบครบคุณสมครบคุณภาพดังกล่าวแล้วจึงจะชื่อว่ากายหากไม่มีประสาทเข้าไปเชื่อมและมีจิตหรือวิญญาณเข้าไปร่วมทำหน้าที่เป็นองค์รวมก็ยังไม่มีก็ยังไม่เป็นจิตนิยาม และในคนมีอาการที่ส3สมในงเล็บตาวติงสาการหรือโลกดาวดึงที่คนผู้อวิชชาลงยึดนามธรรมาในวงเล็บอาการที่ส3นี้กันอย่างมั่นใจอย่างสนิทใจจริงๆว่าอาการส3สนี้เป็นความจริงเป็นของจริงที่สุขที่ทุกข์กันจริงๆไม่เชื่อว่าไม่จริง เข้าใจไม่ได้ว่ามันไม่มีจริงได้อย่างไรก็ในเมื่อเรายังมีสุขมีทุกขนี้อยู่เพราะคราใดมีเหตุปัจจัยประชุมสัมผัสกันขึ้นเมื่อใดทุกสุขก็มีขึ้นมาให้ตนมีอยู่ทุ ก, ก็มีขึ้นมาให้ตนมีอยู่ไม่ได้หายไปจากความมีในจิตใจเรายังถาวร ไม่ได้หายไปจากความมีในจิตใจเราอย่างถาวร ย, ยั่งยืนเลยเพราะยังไม่สามารถเรียนรู้และฝึกฝนจนกระทั่งยังเข้าไปถึงความจริงว่าอาการสุขอาการทุกข์ในใจตนที่เคยมีอยู่นั้นมันไม่เที่ยงมันเป็นตัวเหตุที่เราหลงว่ามันมีอยู่เกิดอยู่ในตัวเราอยู่ต่างหากทั้งๆ ท, ง ท, งที่มันไม่ได้สุข อยู่อย่างนั้นตลอดเวลาเลยมันมีเป็นคราวๆมันเปลี่ยนไปเป็นอื่นอยู่เสมอแต่เราเอาวิชาอยู่คราใดที่มีเหตุปัจจัยมาประชุมกันครบตามอุปทานเท่านั้นต่างหากที่มันหลงว่าเป็นสุขถ้าภาวะใดที่ยังไม่เคยยินดีจนอุปทานไว้มันก็ไม่มีภาวะสุขนั้นเกิดที่เราหรอก แม่มีสุขนั้นขณะใดามันก็ไม่ได้มีสุขอย่างแม้มีสุขนั้นขณะใดามันก็ไม่ได้มีสุขนั้นอยู่อย่างนั้นตลอดไปที่ไหนเดี๋ยวมันก็มีเดี๋ยวมันก็ลดลงหรือมากขึ้นและสุดท้ายก็หายไปผู้ที่ได้ศึกษาและสามารถอ่านความจริงที่ว่านี้ได้จากการปฏิบัติจนเห็นจริงชัดเจนว่า เมื่อเราปฏิบัติสัมมาทิฏฐิจริงๆก็เห็นว่ามันจางลงคลายลงมันลดลงอย่างเห็นได้สัมผัสอยู่ต้องๆหลัดๆขณะนั้นจึงชื่อว่ารู้ด้วยปัญญาความรู้ของตนแท้ๆ แ, และที่สุดในจิตใจของเราก็จะรู้ได้ด้วยตนเลยว่าแม้จะสัมผัส กับเหตุภายนอกที่เคยสุขเคยทุกนั้นก็ไม่มีอาการสุขไม่มีอาการทุกขในวงเล็บอทุกขมสุขที่เป็นเนกขมะสิตะอุเบขานั้นในจิตใจเราอีกแล้วกระทั่งพิสูจน์ได้ว่าไม่มีเกิดอาการในวงเล็บหรืออารมณ์สุขอย่างที่เคยสุขหรือทุกขอย่างที่เคยทุกนั้น ในองค์ประชุมของรูปนามในองเล็บกายขณะนั้นความไม่มีสุขไม่มีทุกข์ในองเล็บอุเบคาขณะนั้นอันคือองค์ประชุมของรูปนามจึงชื่อว่ากายมันมีกายของสัตว์โอปปตฏิกะในจิตของเราตายไปจากความรู้สึกในองเล็บเวทนาส่วนหนึ่ง ถ้าผู้ใดทำเนคคำมะสีตะอุเบขาเวทนาให้เกิดในจิตได้สำเร็จจริงนี้แลคืออาการความเป็นนิพพานปรากฏในใจด้วยสามารถอาการที่เป็นสุกนั้นจะเกิดเป็นจริงเป็นแท้ก็ต่อเมื่อมีอาการ32สองทำงานสัมผัสทำงานสัมพันธ์กันและเกิดความรู้สึกในใจว่าเป็นสุก ความรู้ที่เกิดขณะนั้นคือปัญญาในวงเล็บไม่ใช่แค่สัญญาที่มีเฉพาะการเกิดขณะที่มีแต่องค์ประชุมของภายในเป็นความรู้ที่รู้ครบครันทั้งภายนอกภายในเรียกว่ามีกายสักขีคือมีองค์ประชุมของรูปและนามสัม็จอิริยาบทอยู่ทนโทธหลัดๆเป็นสักขีพยานจึงชื่อว่า รู้ด้วยปัญญาที่มีสัมผัสวิโมก8ด้วยกายเพราะถ้าเรียกว่ากายในความเป็นกายนั้นจะต้องมีพลังงานของนมามธรรมเกี่ยวข้องร่วมด้วยอยู่เสมอพร้อมทางสัมผัสอยู่กับรูปธรรมนั้นด้วยจึงจะเป็นกายหากขาดจากรูปธรรมสัมผัสอยู่ด้วยไม่ชื่อว่ากายไม่เป็นกาย ความรู้ของปุถุชนคนสามัญทั่วไปที่ยังอวิชชาอยู่เท่านั้นที่เข้าใจว่ากายคืออาการที่มีแค่รูปธรรมภายนอกส่วนเดียวเท่านั้นแต่ฟังดีๆพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดๆอีกว่าถ้าคนใดยังมีอวิชชาอยู่ไม่ว่าจะเป็นบัณฑิตหรือเป็นคนโง่ในองเลพานก็ตามแม้เขาจะตายคือ ร่างกายแตกในวงเล็บกายะสะเพทาไปแล้วเขาก็ยังมีความเป็นกายหรือเข้าถึงกายในวงเล็บกา ย, ยูปโคโหติอยู่ยังไม่หมดสิ้นความเป็นกายไปได้ในวงเล็บพระไตรปิฎกเล่ม 16: บหข้อห้เเมื่อยังมีกายหรือยังเข้าถึงกายอยู่ก็ยังไม่พ้นจากชาติ ชาามรณะโสกะปริเทวะอุปายาตเพราะผู้นั้นยังมีอุปท า, านยังไม่พ้นอวิชาช า, ชามเมื่อมีชาติชาลาเมื่อมีชาติชรามรณะโศกะปริเทวะอุปายาตก็คือยังมีทุกข์ไม่ว่าเป็นหรือตายชัดเจนไหมผู้ยังมีทุกข์ คือผู้ยังมีกายในยง่สาคัญคือกายนี้แลถ้าไม่มีพลังงานของนามธรรมเกี่ยวข้องร่วมด้วยภาวะนั้นก็ไม่ใช่กายเมื่อไม่มีกายก็ไม่มีทุกข์ประเด็นนี้เป็นประเด็นหลักที่สําคัญมากถ้าหากผู้ปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าถ้าหากผู้ปฏิบัติธรรมของพุทธเข้าใจความเป็นกายนี้ไม่สัมมาทิฏฐิ โดยไปหลงผิดเข้าใจว่ากายคือรูปร่างภายนอกหรือส่วนของวัตถุ ร, รมเท่านั้นไม่เกี่ยวกับนามธรรมเลยไม่เกี่ยวกับจิตกับวิญญาเลยผู้นั้นย่อมมิฉาทิฐิแน่นอนเมื่อมิฉาทิฐิก็ไม่สามารถจะรู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็นสักกายะอันเป็นสังโยชน์ข้อที่หนึ่งเมื่อผู้ใดมิฉาทิฐิแล้วอย่างนี้ ผู้นั้นจึงไม่สามารถปฏิบัติเรียนรู้กายในกายได้อย่างเป็นสัมมาทิฏฐิและไม่สามารถปฏิบัติเรียนรู้กายคตาสติให้เป็นสัมมาทิฏฐิได้แน่คนผู้นี้ย่อมไม่มีมรรคผลเด็ดขาดดังนั้นผู้มิชาทิฏฐิดังกล่าวนี้เมื่อมาพบพระวจนะของพระพุทธเจ้าที่ตรัสไว้ว่าปุถุชนผู้มิได้สดับ จึงเพิงเบื่อหน่ายบ้างคลายกำหนัดบ้างหลุดพ้นบ้างในร่างกายอันเป็นที่ประชุมแห่งมหาพูดสีนี้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเพราะเหตุว่าความเจริญก็ดีความเสื่อมก็ดีการเกิดก็ดีการตายก็ดีของร่างกายอันเป็นของร่างกายอันเป็นที่ประชุมแห่งมหาพูดสีนี้ย่อมปรากฏผุ ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับจึงเบื่อหน่ายบ้างคลายกำหนัดบ้างหลุดพ้นบ้างในร่างกายนั้นแต่ตถาคตเรียกร่างกายในเลพกา ย, ยสะอันเป็นที่ประชุมแห่งมหาพูดทั้งสีน่นิว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างปุถุชนผู้ไม่ได้สดับไม่อาจเบื่อหน่ายคลายกำหนัดหลุดพ้นในจิตเป็นต้นนั้นได้เลยข้อนั้นเพราเหตุ ข้อนั้นเพราะเหตุข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าจิตเป็นต้นนี้อันปุุชนไม่ได้สดับรวบรัดถือไว้ด้วยตัณหายึดถือด้วยทิฏฐิว่านั่นเป็นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราดังนี้ตลอดการช้านานชนี้ปุุชนผู้ไม่ได้สดับจึงไม่อาจเบื่อนาย คลายกำหนัดหลุดพ้นในจิตเป็นต้นนั้นได้เลยในวงเล็บพระไตรปิฎกเล่ม16ข้อ230จากพระว จ, จนะที่ว่าตถาคตเรียกร่างกายอันเป็นที่ประชุมแห่งมหาพูดทั้งสี่นี้ว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างนั้นย่อมเห็นชัดแล้วว่ากายในวงเล็บในวงเล็บกายยะส นั้นจะเรียกว่าจิตว่ามาโนว่าวิญญาณหรือแม้จิตก็ดีมโนก็ดีวิญญาณก็ดีนั้นจะเรียกว่ากายก็ต้องมีทั้งรูปและนามไม่ได้แยกจากกันเพราะกายที่เป็นทุกอารรยสัต์นั้นไม่ใช่หมายเอาร่างกายภายนอกที่บาลีว่าสรีระเท่านั้นแต่หมายเอาส่วนที่เป็นกาย ภายในส่วนที่เป็นนามต่างหากที่มันเป็นแดนเกิดอาการทุกอาริยสัตว์ทุกขาริยสัตว์ดังนั้นการพิจารณากายคตาสติจึงต้องพิจารณาองค์ประกอบของนมามธรรมแท้ๆจึงจะสามารถรู้ทุกสมุอไยัยขาดไม่ได้เพราะเหตุนี้เอง พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่ากายนั้นตถาคตเรียกว่าจิตบ้างมโนโบ้างวิญญาณบ้างเพราะทุกขอริยสัตว์อยู่ที่นี่ในพระไตรปิฎกเล่ม10บข้อ60ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าทำทั้งสองเหล่านี้รวมเป็นอันเดียวกับทำทั้งสองเหล่านี้ รวมเป็นอันเดียวกันกับเวทนาโดยส่วนสองในองเล็บทเวธทมาทวเยนะเวทนายะเอกสมุสรนาพวันติในองเล็บเทวในวงเล็บทเวธทมาทวเยนะเวทนายะเอกสมุส ร, รานาพวันติองค์ประกอบของภาวะสอง หรือของธรรมะทั้งสองนั้นมีนามธรรมประกอบอยู่ด้วยคือมิคือมีเวทนาซึ่งมีซึ่งเป็นภาวะของชีวะขั้นจิตนิยามแท้ๆไม่ใช่ผีชนิยามแน่นอนผีชนิยามคือพลังงานและสสารที่มีการปรุงแต่งกันในองเล็บสังขารถึงขั้นผีชะคือบรรดาผีชะทั้งหลายที่มีรูปสัญญาเวทนา ที่มีรูปสัญญาสังขารแค่นั้นไม่มีเวทนาคืออารมณ์หรือความรู้สึกไม่ทุกข์ไม่สุขไม่รักไม่โกรธไม่จองเวรใครหรือจองเวรอะไรแม้ในปัจจุบันนี้ก็ไม่มีดังนั้นยิ่งข้ามชาติไปก็ยิ่งไม่มีอะไรจะจองเวรพีชะ พืชจึงไม่มีบาปไม่มีบุญไม่มีกุศลไม่มีอกุศลผู้มีธาตุรู้ขั้นสามารถรู้ในปรมัติธรรมจริงจริงจึงจะรู้ว่าพืชมีรูปในเล็ีสิ่งที่ถูกรู้ได้ด้วยสัมผัสรู้ว่าที่เป็นพืช น, นั้นเพราะรู้อะไรในตัวพืชเองมันก็จะมีพลังงานชีวะที่รู้ว่า นี่คือสิ่งที่พืชต้องเอามาทำชีวิตของตนนี่คือสิ่งที่พืชต้องเอามาทำชีวิตของตนให้ยังอยู่ได้ต่อไปเจริญดีคงรูปของมันตามรหัสแห่งสรีระพันธุ์เดิมในองเล็บดีในองเล็บดีเอ็นเอของพลังงานชีวะของพลังงานชีวะที่เป็นพืชหรือ ของผีชะนิยามเรากําลังเรียนรู้ลึกเจาะลงไปในความเป็นสรีรพันธ์ว่ามันมีรายละเอียดในองค์รวมอยู่อย่างไรแค่ไหนมันมีรายละเอียดในองค์รวมอยู่อย่างไรแค่ไหนเราก็รู้จักข้อมูลแห่งองค์ประชุมของธรรมชาติชนิดนี้ว่า จะจัดมันอยู่ในนิยามของชีวะระดับพืชซึ่งเราจะรู้ความจริงในข้อมูลว่ารหัสแห่งสรีรพันธ์ของมันในงเงลับ d เ็นนี้มันมีแค่รูปสัญญาสังขารที่เป็นยีนในงเงล็บยีนทำงานอยู่ในชีวะของพืชแม้จะมีจีโนมในงเงล็บจีโนม คือพลังงานย่อยอื่นในเลปปะระเกิดในตนก็ยังไม่ถึงขั้นมีคุณภาพพอที่จะก้าวพ้นออกไปเป็น DNA ใหม่ได้มีแค่กำหนดรู้เรียกว่าสัญญาแล้วพืชเองมันก็ทำสังขารชีวิตของมันก็อยู่ในรูปของมันไปเท่านั้นและมีเกิดมีตาย และตายไปก็ไม่จองเวรจองกรรมอะไรใคร DNA ในวงเล็บดี o อ, อซี DNA ในวงเล็บดิ o x กซินโบ u ิ l คลีอ c ก d คือสารที่มีการดำรงอยู่ตามกรอบของรหัสสรีรพันธ์ในสิ่งมีชีวิตในวงเล็บจีนอยู่ในฐานะของ Energy, าาพลังงานศั ก, กะยะ พลังงานศักยะก็แค่ชีวะระดับพีชะก็แค่ชีวะระดับพืชจีนคือรหัสสรีระพันธ์ในสิ่งมีชีวิตซึ่งอยู่ในฐานะของไคเนติกเอเนจีที่สับภาษาไทยว่าพลังงานจรนะณะก็แค่พืชจีนโนมนยังเล็บจีนโนม คือข้อมูลทางสรีรพันธ์ทั้งหมดที่จําเป็นจีโนมเล็งเล็บจีโนมคือข้อมูลทางสรีรพันธ์ทั้งหมดที่จําเป็นในการใช้ที่จําเป็นใช้ในการสร้างและจําเป็นต่อการดํารงชีวิตอย่างปกติของสิ่งมีชีวิตชนิดใดชนิดหนึ่ง จะบอกขั้นจีโนมในวงเล็บจีโนมคือข้อมูลทางสรีรพันธ์ทั้งหมดที่จำเป็นใช้ในการสร้างและจำเป็นต่อการดํารงชีวิตอย่างปกติของสิ่งมีชีวิตของสิ่งมีชีวิตชนิดใดชนิดหนึ่งจะบอกชั้นแห่งนิยามได้จีโนมในวงเล็บจีโนมอยู่บน DNA ในวงเล็บ DNA ซึ่งในสิ่งมีชีวิตชั้นสูงจีโนมก็คือชุดของ DNA ทั้งหมดที่บรรจุอยู่ในนิวเคลียสของทุกๆเซลล์นั่นเองในวงเล็บนิวเคลียสเท่ากับส่วนที่เป็นใจกลางของเซลล์มวลที่มีประจุ บ, บวกภายในอะตอมประกอบด้วยนิวตรอนและโปรตอนจีโนมในวงเล็บจีโนมของสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกัน จะแตกต่างกันและสิ่งที่มีชีวิตแต่ละชนิดมีขนาดของจีโนมแตกต่างกันจีโนมตัวอักษบจีโนมเทียบได้กับแบบพิมพ์เขียวในวงเล็บบรูเอฟไพร์ของสิ่งมีชีวิต ในจีโนโมหนึ่งเล็บจีโนโมของมนุษย์พืชและสัตว์นั้นนอกจากดีเอ็นเอน่งเล็บดีเอ็นเอในส่วนซึ่งเรียกว่ายีนหนึ่งเล็บยีนแล้วยังมีส่วนของดีเอ็นเอที่ไม่ใช่ยีนอยู่อีกและยังไม่ทราบหน้าที่ที่แน่ชัดทั้งหมดแต่ในการศึกษาจีโนโมนั้นต้องศึกษาทั้งหมดทั้งส่วนที่เป็นยีนและไม่ใช่ยีน ในคนปกติจะมีจีโนม2ชุดโดยมาจากทางพ่อ1ชุดและทางแม่1ชุดในปกติชี ว, ชวะปกติทั้งของพีชนิยามและทั้งของจิตนิยามจึงมีจีโ น, นมตนวอักษบจีโนม2ชุดซึ่งมาจากทางปุงริสินีตัวงเล็บจากทางพ่อ1ชุดจากทางอิทถินีตัวอักษรจากทางแม่1ชุด เพราะนี่คือภาวะที่มันจะมากขึ้นหรือจะน้อยลงจนถึงขั้นมีริ์เป็นตัวแปร ى, สำคัญของสภาวะธรรมทั้งหลายจนกลายเป็น DNA ใหม่หรือมีรหัสสรีระพันธ์ในงเล็บจีนใหม่เกิดขึ้นเปลี่ยนยีนหรือเปลี่ยน DNA นนั่นเองซึ่งวิทยาศาสตร์ทางโลกสามารถแยกยีนที่เป็นรหัสเพศแม่ แตกต่างจากยีนที่เป็นรหัสเพศพ่อในความเป็นสัตว์ก็แยกได้แม้ในความเป็นพืชก็แยกได้สำเร็จแต่วิทยาศาสตร์ทางโลกยอมรับแล้วว่าไม่สามารถทราบหน้าที่ที่แน่ชัดทั้งหมดของจีโนมได้วิทยาศาสตร์ทางโลกจึงมีความรู้จีโนมยังไม่ตลอดซึ่งความรู้ของพุทธเป็นวิชาที่สามารถทราบหน้าที่ทั้งหมดของจีโนมได้แน่ชัด จากองค์ประกอบของรูปและนามซึ่งก็คือกายนั่นเองด้วยอาการเพศแนเล็บลิงคะนิมิตอุเทศนเล็บพระไตรปิฎกเล่ม10ข้อ60และวิชาของพุทธสามารถจัดการแนเล็บอภิสังขารกับจีโนมจนเกิดเป็นตัวแปรสำคัญให้ยีน ให้ดีเอ็นเอเปลี่ยนเผ่าพันธุ์ได้ซึ่งต้องพ้นอวิชาจึงจะรู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็นจีโนมด้วยอาการเพศในงเลบลิงคะนิมิตอุเทศและรู้หน้าที่อย่างแน่ชัดเช่นหน้าที่ของรูปอย่างไรแค่ไหนหน้าที่ของนามอย่างไรแค่ไหนและองค์รวมหรือหรือองค์ประกอบ ซึ่งก็คือความเป็นกายนั่นเองทั้งของรูปเน่งเล็บรู ป, รปากายและของนามเน่งเล็บนามากายเป็นอย่างไรแค่ไหนจึงจะสามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็นจีโนมที่เป็นเพศแม่หรือเพศพ่อได้จากภาวะรูปสองเพราะสามารถอ่านอาการของเพศเน่งเล็บลิงคะจากนิมิตจากอุเทศต่างๆได้ จึงสามารถแยกยีนที่บรรจุอยู่ใน New Christ, ในิวเคลียสในวงเลบกายของ DNA นในงเลบีเที่ยังเป็นชีวิตรรูปในเลบีเเเท่ากับ o t e n t i น l Energy ที่จัดอยู่ในสภาพสแตติกและยังเป็นชีวิตนามในวงเลบยีนเท่ากับ Kinetic Energy ที่จัดอยู่ในสภาพด y n a มิก ซึ่งก็คือชีวิตินทรีย์หนึ่งเล็บพลังงานหรืออาการของความเป็นชีวะเท่ากับเซลล์นั่นเองได้อย่างรู้จักหนึ่งเล็บสัมผัสรู้แจ้งหนึ่งเล็บชัดเจนรู้จริงหนึ่งเล็บรู้ชนิดที่เป็นปรมาทสัจจะเป็นความจริงขั้นสูงสุดทีเดียวกายนี่คือ New นอิวเคลียสหนึ่งเล็บรูปกับนามกาย หรือในที่นี้หมายถึงนิวเคลียสนี้คือปรมัตสัจจะในวงเล็บความจริงขั้นสูงสุดแล้วที่เป็นสัจจะแห่งความเป็นชีวะขั้นนิวตรอนคือรูปหรือศูนย์นหนึ่งเล็บเพศพ่อเท่ากับไม่มีณนะโหติและโปรโตอนคือนามหรือหนึ่งนหนึ่งเล็บ เพศแม่เท่ากับมีโหตินามคือความรู้สึกคือเวทนาซึ่งพุทธวิชานั้นรู้จักรู้แจ้งรู้จริงในความเป็นอาการของเวทนาว่าอาการอย่างไรแค่ไหนคือชีวะอย่างไรเป็นโปรตอนในเซลล์อยู่และแค่ไหน คือหมดสิ้นชีวะหรือไม่มีชีวะแล้วศูนย์แล้วหรือเป็นนิวตรอนในเซลแล้วนิวตรอนก็เป็นกลางหรือศูนย์โปรโตอนก็คือยังมีหนึ่งยังมีหรือหนึ่งหรืออย่างไรแค่ไหนคือเพศแม่ในวงเล็บอิทธิลิงที่เป็นตัวยนิโซในวงเล็บตัวยังมีที่เกิด อย่างไรแค่ไหนคือเพศพ่อในวงเล็บปุงลิงที่เป็นผู้กำหนดการเกิดหรือผู้กระทำให้เกิดซึ่งสูงสุดสามารถเป็นผู้ไม่ทเป็นผู้ไม่กระทำการเกิดแก่ตนแก่ใครใครได้เด็ดขาดเป็นที่สุดจึงสามารถทำความเป็นนับปุงสกริง จึงสามารถทำความเป็นหน้าปุงสกลิงคือสิ้นความไม่มีเพศในตเล็บไม่ว่าเพศแม่หรือเพศพ่อในตนได้จริงและจะทำความเป็นศูน์หรือเป็นหนึ่งตามประสงค์ของตนหรือไม่ก็ทำได้อีกนั่นคือสามารถรู้จักรู้แจงรู้จริงจริงไปถึงที่สุดว่า ตนสามารถทํามโนของตนเองให้เป็นศูนหรือเป็นกลางในงเล็บดิวตอนก็ได้จะให้เป็นหนึ่งนงเล็บโปรโตอนก็ได้เมื่อใดขณะไหนอมตะชีวะนั้นจะอาศัยความเป็นอาการของเพศพ่อในเล็บปุงลิงขณะไหน อมตะชีวะนั้นจะอาศัยความเป็นอาการของเพศแม่หนึ่งเล็บ อ, อิฐถีลิงหรือขณะไหนจะอาศัยความเป็นอาการของความไม่มีเพศหนึ่งเล็บหนปุงสกัลิงก็เลือกได้ตามประสงค์เป็นผู้เลือกเพศอาศัยได้เองทั้งไตรลิงหนึ่งเล็บเพศทั้งสาจึงสามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงรหัสแห่งกาย เท่านี้ยังเป็นพีชนิยามต้องมีจีโนมทาหน้าที่ถึงขั้นนี้จึงจะเป็นจิตนิยามผู้มีวิชาในวงเล็บพ้นอวิชาอย่างนี้จึงจะรู้แจ้งรู้จริงข้อมูลทางสรีระพันธ์ในวงเล็บจีโนมทั้งหมด รู้แจ้งรู้จริงเส้นแบ่งความเป็นเผ่าพันธุ์ของชีวะออกจากกันได้ด้วยจีโนมนี่เองผู้ยังไม่รู้ในองเล็บอวิชชาหรือยังมิจชาทิฐิในอาการเพศในองเล็บลิงคะนิมิตอุเทศของรูปธรรมกับนมามธรรมโดยเฉพาะยังไม่รู้จักรู้แจ้งรู้จริงในอาการของความเป็นกาย ที่มีทั้งความเป็นรูปและเป็นนามโดยเฉพาะรูปและเป็นนามของเวทนาและเวทนาในเวทนาทั้งหลายจึงไม่สามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็นจีโนมตัวอักษรจีโนมหรือนามธรรมาขั้นชีวะนี้ที่ทำหน้าที่แน่ชัดคือหน้าที่เป็นเพศแม่ตนอวอักมาตาและหน้าที่เป็นเพศพ่อตนอวอักปิตา ในการแยกความเป็นสัตว์โอปปปาติกะในวงเล็บจิตนิยามกับความเป็นพืชในวงเล็บพีชะนิยามซึ่งรู้ได้จากความเป็นจีโนมอันมีหน้าที่ชัดเจนนี้แลด n a ก็ดียีนก็ดีจีโนมก็ดีที่เป็นจีโนมระดับพีชะนิยามหรือหรือระดับจิตนิยามที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ยิ่งเห็นจริง จึงเป็นความตรัสรู้ของพระองค์ที่ทราบหน้าที่แน่ชัดทั้งหมดถึงขั้นทรงยืนยันทฤษฎียิ่งใหญ่ได้ว่ามโนปุพังคมาธรร ม, มามโนเศษฐามโนมายาในวงเล็บฉ บ, บับที่ในวงเล็บจบฉบับที่299 ตอนนี้ธรรมะที่เรากำลังอธิบายกันอยู่ในขณะนี้มันเป็นพุทธชีวะที่เอาฟิสิกส์และเคมีมาผดวกกันมาผนวกกันเพื่อไขความลับของอุติมาผนวกกันเพื่อไขความลับของอุตุนิยามที่จะกลายเป็นในองเล็บพวันติผีชนิยามและกลายเป็นจิตนิยามผู้รู้ ก็จะรู้ได้จากปฏิกิริยาของกรรมนิยามกับธรรมนิยามจึงสามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงว่านิยาม5ได้แก่ความเป็นไปอันมีระเบียบแน่นอนของธรรมชาติ5นิยามนั้นคือฉไหน ผู้มีวิชาในเล็บพ้นอวิชาแบบพุทธจึงจะรู้แจ้งรู้จริงข้อมูลในพันธุ ก, กรรมในเล็บจีโนมทั้งหมดรู้แจ้งรู้จริงเส้นแบ่งความเป็นเผ่าพันธ์ของชีวะออกจากกันได้จากจีโนมนี่เองจีโนมเป็นธรรมจรีโนมเป็นธรรมะสองของผู้อวิชาก็จะไม่รู้ว่ามันคือนิวตรอน ที่เป็น Potential e n อ r g y ยอยู่โดยแท้แต่สำหรับผู้มีวิชาก็จะสามารถรู้จักรู้แจ้งความเป็นธรรมะสองนี้ถึงอาการที่เป็น k ค n e t i c e อนไคเนตอนยได้ผู้ยังไม่รู้ในวงเล็บอาวิชาหรือยังมิจฉาทิฐิในอาการเพศในวงเล็บลิงคะ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 รู้แจ้งรู้จริงความเป็นจีโนมหนึ่งเล็บจีโนมหรือนามรรมาขั้นชีวะนี้ที่ทําหน้าที่แน่ชัดคือหน้าที่เป็นเพศแม่หนึ่งเล็บมาตาและหน้าที่เป็นเพศพ่อหนึ่งเล็บปิตาในการแยกความเป็นสัตว์โอป ป, ปาติกะหนึ่งเล็บจินนิยามกับความเป็นพีกับความเป็นพืชหนึ่งเล็บผีชนิยามซึ่งรู้ได้จากความเป็นจีโนม ม, มีหน้าที่ชัดเจนนี้แหล DNA ก็ดียีนก็ดีจีโนมก็ดีที่เป็นจีโนมระดับพีนิยามหรือระดับจิตนิยามที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ยิ่งเห็นจริงจึงเป็นความตรัสรู้ของพระองค์ที่ทราบหน้าที่แน่ชัดทั้งหมดถึงขั้นทรงยืนยันทฤษฎียิ่งใหญ่ได้ว่า มโนปุพังคมาธรรมามโนเศษฐามโนมายาการปฏิบัติธรรมของพุทธจึงสามารถเรียนรู้ไปถึงความเป็นอิทธิเพศหรือพลังงานอิเล็กตรอนและต้องสามารถถึงขั้นมีการทำใจในใจในเง็บมนสิการของตน จนกระทั่งจัดการในองเล็บอภิสังขารให้ความเป็นอิทธีเพศกลายเป็นองเล็บพระวันติปุริสเพศหรือเอกบุรุษอย่างถูกต้องท่องแท้ในองเล็บโยนิโสสาเร็จในงเล็บพระหุทาปิดหุตวาเอโกโหตินั่นคือต้องมีสัมมาทิฏฐิในข้อที่ ได้แก่ความเป็นเพศแม่หน่งเล็บมาตาและข้อที่8ได้แก่ความเป็นเพศพ่อหน่งเล็บปิตาในความเป็นรูปและนามกันจริงๆจึงจะปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะปฏิบัติมักอันมีองค์8ได้ผลจริงหน่งเล็บพระไตรปิฎกเล่ม14ข้อ25 252เป็นต้นไปความเป็นเพศแม่หน่งเล็บมาตาเพศพ่อหน่งเล็บปิตา ในขั้นนี้เป็นเรื่องอภิธรรมหรือปรมา ธ, ธรรมกันแล้วผู้ที่ยังเข้าใจไม่สัมมาทิฏฐิก็ยากที่จะปฏิบัติธรรมของพุทธบรุผลจริงได้กระทั่งจัดการความเป็นอิถีลิงในองเล็บเพศแม่ให้กลายเป็นในองเล็บพวันติปุงลิงในองเล็บเพศพ่อได้สําเร็จไปตามลําดับกระทั่งที่สุดจัดการความเป็นปุงลิงให้กลายเป็นในองเล็บพวันติ ณปุงสกาลิงในองเล็บไม่มีเพศคือพ่อขั้นพระเจ้าก็ถือว่าเป็นอุตตมะโปลิสสะในองเล็บ อ, อุตตมะบุรุษซึ่งสูงถึงยอดสุดความเป็นของสูงสุดในองเล็บ อ, อุตมต า, อ, า อ, อุตตมตาในองเล็บอุตตมตายังมีความสามารถที่เมย ยังมีความสามารถที่มีในย้าสาคัญยิ่งไปกว่านั้นคือผู้เป็นโพธิสัตว์จะสามารถอนุโลมปฏิโลมเข้าอาศัยเพศแม่ในวงเล็บ อ, อ, อิทถีลิงเพศพ่อในวงเล็บปุงลิงไม่มีเพศในวงเล็บณปุงสกัลิงซึ่งคือสภาวะสามเพศในวงเล็บไตรายลิงได้เท่าที่โพธิสัตว์แต่ละท่านจะสามารถทําได้ตามบารมีก็มีอีก เป็นความพิเศษยิ่งยิ่งขึ้นไปที่เป็นประโยชน์แก่โลกแก่คนอื่นๆยิ่งยิ่งขึ้นซึ่งพ้นความเป็นประโยชน์ตนไปแล้วหนึ่งเล็บไม่มีอัตตาเท่ากับพลังงานอนัตตาซึ่งผู้ปฏิบัติธรรมจะต้องศึกษาเรียนรู้ภาวะรูปสองหนึ่งเล็บปุริสินสีและอิทธินีอันมีความแตกต่างกัน หรือมีเพศในเล็บลิงคะหรื อ, อยังมีความเป็นสองด้วยในแยะสําคัญคือธรรมะสองในเล็บทเวธรรมมานี้กันจนสามารถสัมผัสรู้จักรู้แจ้งรู้จริงภาวะรูปสองด้วยปัญญาอย่างมีของจริงหรือมีความจริงจึงจะชื่อว่าผู้มีมรรคผลเช่น เราต้องเรียนรู้เช่นเราต้องเรียนให้รู้จักรู้แจ้งรู้จริจ ง, รงความเป็นสัญญาและสังขารหนึ่งเล็บนี้คือธรรมสองโดยเฉพาะเวทนาซึ่งเป็นภาวะที่จะต้องมีให้ผู้ปฏิบัติธรรมเรียนรู้อย่างยิ่งจึงจะบรรลุธรรมได้ หากไม่มีเวทนาหรือไม่มีความรู้สึกอารมณ์ให้ศึกษาเรียนรู้ก็หมดสิทธิ์ที่ก็มก็หมดสิทธิ์จะรู้จะก็หมดสิทธิจจทธ์จะรู้แจ้งความเป็นนิโรธหรือไม่ใช่นิโรธเพราะสัมมานิโรธของพุทธนั้นไม่ใช่นิโรธที่เกิดในพวังหลับตาสะกดจิตจนดับดำมืดหนึ่งเล็บ ก, กินนะฮะแล้วกลายเป็นพรหมลูกฟักกลิ้งโคโล ไม่มีธาตุรู้ทําท а งานอยู่ในขณะนั้นเลยอย่าไปหลงเอาแต่นั่งหลับตาเข้าไปในภวังแล้วก็ไปทำแล้วก็ไปดับเวทนากระทั่งเป็นคนไม่มีความรู้สึกเป็นคนไม่มีความอย่าไปหลงเอาแต่นั่งหลับตาเข้าไปในภวังแล้วก็ไปดับเวทนากระทั่งเป็นคนไม่มีความรู้สึก เป็นคนไม่สามารถรับรู้อะไรเลยแล้วหลงผิดว่านี่คือภาวะความเป็นนิโรธของพุทธทุกวันนี้ก็ยังยึดผิดผิดนี้อยู่อย่างนั้นมันมิชาทิฐิขอยืนยันนิโรธที่สัมมาทิฐิของพุทธนั้นมันมีเวทนาที่เป็นธรรมะสองนเน่งเล็บทเวธรรมะและสามารถทำให้เป็นหนึ่ง ในองเล็บเอกะัในองเล็บเอกกคตาอย่างเห็นเห็นไม่ใช่ความดับอย่างไม่รู้ไม่เห็นแต่เป็นความดับที่รู้รู้เห็นเห็นอย่างแจ้งแจ้งในองเล็บสัชชิพระพุทธเจ้าตรัสว่าบุรุษมีตันหาเป็นเพื่อนสองในองเล็บตันหาทุติโยโปริโส ท่องเที่ยวไปตลอดการยืดยาวนานในองเล็บพระไตรปิฎกเล่ม21ข้อ 9. มีปกติอยู่ด้วยเพื่อนสองในองเล็บสถุติยะวิหารีในองเล็บสถุติยวิหารี เพราะผู้นั้นยังมีตันหาเป็นเพื่อนสองหนังเล็บตันหาหิสยะหนังเล็บตันหาหิสสะทุติยาผู้สามารถดับตันหาให้เป็นผู้มีปรติอยู่ผู้เดียวหนังเล็บเอกะวิหารีไม่มีเพื่อนสองเพราะจิตสิ้นตันหาในธรรมะสองนั้นแหละหนังเล็บ ทวยเยนะเวทนายะเอกสมุสรณาพวันติได้สำเร็จจริงในวิทนานี้นี่เองในองเล็บพระไตรปิฎกเล่ม10บข้อ60อันเป็นแดนที่สามารถทำให้หลีกออกจากเพื่อนสองหรือหลีกออกจากหมู่อยู่ผู้เดียวในวงเล็บเอกโกหูปะกัตตโถนในงเล็บเอโกโอูปะกตตโถ ซึ่งก็คือสามารถอยู่ด้วยความเป็นหนึ่งหน่งเล็บเอโกหรืออยู่แต่ผู้เดียวนเน่งเล็บพระไตรปิฎกเล่ม18ข้อ6 6กถึง็ก็ปฏิบัติกันในความเป็นเวทนารวมลงอยู่รวมลงอยู่ในเวทนานี่เองซึ่งเวทนานี้แหละที่มีความเป็นเวทนาต่างๆอันต้องรู้จักรู้แจ้งรู้จริงว่า อย่างนี้คือเวทนาสองอย่างนี้อย่างนี้คือเวทนาสอย่างนี้อย่างนี้คือเวทนาห้าอย่างนี้อย่างนี้เวทนาห้าอย่างนี้อย่างนี้เวทนาหอย่างนี้อย่างนี้เวทนา18อย่างนี้อย่างนี้เวทนาส6สถึงที่สุดอย่างนี้อย่างนี้เวทนาร0อยว่ามันคืออะไรอย่างอะไร ในจิตเราและสามารถทํากับมันจัดการกับมันได้หนังเล็บอภิสังขารหรือมณสิกโรติคือให้มันลดละจางคลายลงหนังเล็บเิราคะกระทั่งที่สุดมันดับหนังเล็บนิโรธนั่นคือจิตนิยามอันเป็นพลังงานทางจิตวิญญาณของคนผู้ที่สามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงถึงขั้นที่เรียกว่ากรรมนิยาม และธรรมนิยามเท่าที่มีปัญญาบา ร, รมีจริงพอจึงจะสามารถจัดการกับเวทนาในเวทนาได้ชัดไม่ว่าเวทนานี้แหลที่สำคัญจุดซึ่งเป็นตัวการแท้ที่จะต้องเข้าไปจัดการให้มีการทำใจในใจจนท่องแท้ในงเล็บยนิโสมานสิการพระพุทธเจ้าตรัสว่าเพราะอาศัยเวทนาจึงเกิดตัณหา ในงเล็บเวทนังปฏิจจตันหาพระตายปีดกพระไตรปริดกเล่ม16ข้อ59ทพีชนิยามมีแต่สัญญาและสังขารจึงไม่มีพลังงานที่เป็นตัวการในงเล็บคือเวทนาสำคัญในตัวมันที่มันเป็นอยู่จึงไม่มีฤทธิ์ทจึงไม่มีฤทธิ์ร้ายใดออกไปทำร้ายทำลายชีวะอื่น คุณสมบัติของพีชนิยามไม่มีตัวตนถึงขั้นที่จะเห็นแก่ตัวมาบำเรอเวทนาของตน DNA ของพีชนิยามจึงไม่มีนิสัยเสียที่เป็นผลร้ายต่อชีวะอื่นเกินที่มันมีตามระษาชีวะของมันแต่กระนั้นก็ดีพลังงานของพีชนิยามที่ทำงานไปก็ไม่ใช่ว่า จะคงที่อยู่เท่านั้นตลอดการทีเดียวในจำนวนจีโนมในเล็บจีโนมของมันก็ยังมีมากมีน้อยไปตามจริงแต่ยังไม่มีพลังงานสะสมที่มีความเข้มข้นของ DNA ในเเล็บ DNA นในนิวเคลียสของมันจนเป็นพิษภัยออกไปรบกวนนอก DNA ของมันจีโนมในคโครโมโซมหนึ่งจีนหนึ่ง และ DNA อีกหนึ่งทั้ง3มสภาพนี้ประกอบกันเป็นอะตอมของพีชนิยามจึงมีฤทธิ์มีแรงมากมีได้เต็มที่เหมือนอะตอมทั้งหลายแต่เป็นฤทธิ์แรงที่สุภาพไม่ระรานชีวะอื่นใดพีชนิยามจึงไม่เป็นภัยแก่ชีวะอื่นเพราะมีแต่เพราะมีแค่ รูปสัญญาสังขารเท่านั้นจึงเป็นชีวะในโลกที่ถือว่ายังไม่มีโทษแต่มีคุณต่อโลกต่อสัตว์ต่อชีวะอื่นผีชนินยามคือชีวะที่หมุนวนเป็นโลกอยู่ในวัตตะที่ยังไม่ถึงขั้นวิญญาณมีแค่รูปสัญญาสังขารในวงเล็บไม่มีเวทนาเป็นอนุ ปาทินกะสังขารคือสังข า, ทงข า, ทา ร, รขาที่ไม่มีวิญญาณคือสังขารที่ไม่มีกำครองหรือสังขารที่ไม่มีวิญญาณในองเล็บใจส่งไว้ในองเล็บธรณะในนั้นในส่วนโลกชีวะที่ถึงขั้นวิญญาณที่มีรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณที่บาลีว่าจิตนิยามนั้นก็มีครบทั้งรูปและนาม ครบขันหซึ่งมีเวทนาและมีวิญญาณ น, นี่เองที่เป็นตัวเลวที่ร้ายได้สุดๆและเป็นตัวดีที่มีคุณค่าประโยชน์ได้สูงสุดวิเศษยิ่งจริงๆเพราะมีเวทนาและวิญญาณ น, นี้แหละตัวการใหญ่หนึ่งเล็บตัวการแห่งเหตุที่สร้างนิทานสมุทยและปัจจัยอยู่ในโลก ที่ทำให้จิตนิยามถึงขั้นได้ชื่อว่าผู้สร้างโลกสร้างจักรวาลหรือผู้ทําลายโลกทําลายจักรวาลมนุษย์ในโลกนั้นตกเป็นธาตุเวทนาอย่างมากเวทนาที่ว่านี้คืออาการของจิตที่เรียกว่าสุขซึ่งเป็นสุขที่ปรุงแต่งขึ้นมาครอบงํากันและกันมันเป็นสุขแท้แท้ แ, ทแนวเล็บ สุขลิกะที่หลงเสพอยู่เสมอตลอดเวลาผู้อวิชชาหลงสนิทว่าเป็นความจริงซึ่งเป็นอาการต่างๆทางจิตเช่นอาการอร่อยอาการสนุกอาการเพลิดเพลินอาการชอบใจอาการตื่นเต้นอาการพอใจสารพัดอาการที่หลงยึดว่าอย่างนี้อย่างนี้แหละที่จะต้องได้ ต้องเป็นต้องมีต้องสัมผัสเป็นของชอบถ้าได้สัมผัสกระทบเสียดสีเน่งเล็บปฏิคะสัมผัสโซตามรสนิยมดังที่ตนยึดไว้นั้นเต็มที่ก็เรียกว่าจุดสุดยอดแห่งอาการที่สมใจเน่งเล็บคลายสแมกมนุษย์จึงเต็มไปด้วยอาการอะไรบ้าๆบ่ๆต่างๆที่ยึดกันว่า น่าได้น่ามีน่าเป็นเต็มอนุสัยซึ่งเป็นของสมมุติขึ้นมาและก็หลงว่าเป็นสัจจะในเรื่อความจริงจึงเรียกว่าสมมุติสัจจะผู้ศึกษาสัจจะที่เป็นปรมาัาทรู้จักอาการของเวทนาตามที่พระพุทธเจ้าตามที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้จึงสามารถ กำจัดชำระล้างสมมติต่างๆนั้นออกจากจิตใจได้สำเร็จก็รู้แจ้งจริงด้วยตนว่าอาการความปราศจากความรู้สึกเนียงเล็บเวทนาสุขหรือทุกข์นั้นมันมีอยู่จริงเนียงเล็บเนคข ม, มะสิตะอุเบคาเพราะได้กำจัดมันออกไปจากอาการของเวทนาหมดสิ้นแล้วมันไม่มีมันก็ไม่มีอาการนั้นอยู่ในจิตเรา อ ย, อยู่ในเวทนาอยู่ในเวทนาที่เหลืออยู่ของเราอีกมันก็ไม่มีอาการนั้นอยู่ในจิตเราอยู่ในเวมันก็ไม่มีอาการนั้นอยู่ในจิตเราอยู่ในเวทนาที่เหลืออยู่ของเรากันอีกผู้นี้ก็ไม่มีภาวะที่เป็นสุข ทุกนั้นนี้คือภาวะของนิพพานหรืออนัตตาหรือหลุดพ้นจากภาวะที่มนุษย์ปุถุชนเข้ามีกันเรียกว่าวิมุตต์หน่งเล็บเนคขมาสิตะอุเบคาทุกวันทุกเวลาทุกนาทีคนที่ยังไม่สิ้นอวิชชาต่างก็สังขารแน่งเล็บปรุงแต่งหรือครีตสารพัด ภาวะขึ้นมามอมเมามนุษย์ให้ยึดติดมาเรื่อยเพื่อให้คนหลงติดอยากได้มาเป็นมามีในตนปัจจุบันนี้สิ่งปรุงแต่งที่ครอบงามนุษย์จึงมีมากมายจนสุดจกราวและประดาคนที่อวิชาก็ได้แต่หลงสิ่งปรุงแต่งที่ต่างก็สร้างสารรค์กันขึ้นมาไม่หยุดหย่อนนั้นกัน แล้วก็ยึดติดในเ็อุปทานใส่ในอนุสัยเป็นเวทนาที่จะน่าได้น่าเป็นน่ามีเวทนาและวิญญาณจึงเป็นจีโนมในเอ็ปจีโนมที่เป็นพลังงานใน DNA ซึ่งบรรจุอยู่ในนิวเคลียสของเซลล์ในอุปถัมภ์นิวเคลียสคือส่วนที่เป็นจิตส่วนที่เป็นใจกลางของเซลล์ มวลที่มีประจุบวกภายในอะตอมประกอบด้วยนิวตรอนและโปรตอนและโปรตอนพลังงานหรือชีวิตตินรีของจีนโนมมีสองแตกต่างกันในเล็บเพศเท่ากับลิงคะเป็นสองเสมอที่เป็นธรรมะสองซึ่งผู้ปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าจะสามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงได้ ด้วยอาการลิงคะนิมิตอุเทศโดยเฉพาะความเป็นอาการนี่เองที่จะต้องรู้จักรู้แจ้งรู้จ ร, จงรจิงให้ได้และสามารถจัดการปรับแต่งแนวเล็บอภิสังขารความแตกต่างกันตามที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ได้ถึงสภาวะของพลังงานทางจิตในตนและทำที่สุดจัดการปรับแต่งแนวเล็บอภิสังขาร ชีวิตตินรีของเพศหน่วเล็บลิงคะจนหมดสิ้นความเป็นเพศคือไม่มีเพศหรือเป็นกลางหน่วยเล็บนิวตรอนได้จริงหมายความชัดๆคือจัดการหยุดหรือดับความเป็นพลังงานเราหลงติด จัดการหยุดหรือดับความเป็นพลังงานเราลงติดยึดแต่มันเป็นอาการหรือพลังงานที่เลวร้ายอันแตกต่างจากพลังงานที่ดีนั่นเองนั่นคือธรรมะสองหรือภาวะสองที่มีภาวะแตกต่างกันให้ชัดเจนท่องแท้ในวงเล็บยูนิโสว่ามันเป็นธรรมดาที่มีภาวะสองหรือธรรมะสองย่อมเป็นธรรมดาที่มันจะต้องแตกต่างกัน อย่าให้เกิดอารมณ์เกินกว่าเห็นความจริงว่าความแตกต่างกันมันก็ธรรมดาต้องจบในใจว่ามันก็ต้องเป็นเช่นนั้นเองในองเล็บตาตาถ้าไม่มีธรรมะสองก็ต้องมีเพศในองเล็บต่างกันนั่นคือจัดการปรับแต่งได้ถึงพลังงานนิวตรอน ในนิวเคลียสสำเร็จเพราะสามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงพลังงานที่เป็นธรรมะสองซึ่งเป็นพลังงานเวทนาสองในจีโนมอันเป็นรหัสพันธุ ก, กรรมตัวละเอียดในคโครโมโซมและเป็นผู้สามารถจัดการกับปริมาณแนีงเลบมัตตันยูพลังงานของธรรมะสองคือนิวเคลียสฟิชชัน เน่งเล็บพลังงานที่กระจายออกไปเป็นธาตุเบาและพลังงานของ Fusion, นอิวเคลียร์ฟิวชันน่งเล็บพลังงานที่ล้อมละลายกันเป็นธาตุหนักซึ่งแตกตัวเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่เน่งเล็บเชนรีแอคชั่นออกไปเป็นพลังงานนิวเคลียร์ฟิชชันกับนิวเคลียร์ฟิวชันเมื่อได้รับ การกระทบสัมผัสแนเวเล็บปฏิคะสัมผัสโซให้อยู่ในสัด ส, ส่วนที่เป็นประโยชน์สูงประหยัดสุดได้ด้วยความสามารถอย่างจริงด้วยความสามารถอย่างแท้จริงก็จบซึ่งถ้าร่วมกันอยู่หรือถ้าสัมผัสสัมพันธ์กันอยู่แล้วจะเกิดรถจากการกระทบสัมผัสเสียดสีกันแนเวเล็บปฏิฆะสัมผัสโซนั้น รสที่ว่านั้นมันคือความเย็นร้อนอ่อนแข็งอันเป็นธรรมดาที่จะต้องอันเป็นธรรมดาที่ต้องเกิดในความรู้สึกตามลักษณะแห่งสิ่งที่มีที่เป็นนั้นเท่านั้นเย็นร้อนอ่อนแข็งเป็นต้นนี้เท่านั้นที่เป็นภาวะจริงของฟิสิก อารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์มันไม่มีจากไหนๆหรอกแต่คนไปสร้างสุขทุกข์ขึ้นมาใส่จิตตนให้เป็นความรู้สึกหรืออารมณ์เทศถ้าไปสมมุติว่าเย็นอย่างนั้นชอบใจเมื่อได้เมื่อมีเมื่อเป็นแล้วสุขนี่แหละเทศ ความอยากได้อยากมีอยากเป็นก็เกิดในใจตนอยู่ยังไม่หมดไปจากอนุัสเย็นอย่างนี้ไม่ชอบใจถ้าได้ถ้ามีถ้าเป็นแล้วทุกเวทนานี้แหละเทจหนงเล็บอริกะความไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นก็เกิดในตนอยู่ยังไม่หมดไปจากอนุัยหรือร้อนอย่างนี้ หรืออ่อนอย่างนี้หรือแข็งอย่างนี้ชอบใจถ้าได้ถ้ามีถ้าเป็นแล้วสุขไม่ชอบใจถ้าได้ถ้ามีถ้าเป็นแล้วทุกข์ความอยากได้อยากมีอยากเป็นหรือไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นก็ต้องเกิดต้องมีอยู่ในอนุสัยตนเท่านั้นเอง ผู้รู้แจ้งจริงและทำได้จริงจนกระทั่งไม่มีอาการสุขอาการทุกข์หนง เ, เวทนาเกิดขึ้นในจิตอีกเลยตลอดไปก็ย่อมไม่มีอยากได้อยากมีอยากเป็นหรือไม่มีไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นกันอีกนี่คืออาการหนึ่งเดียวที่เป็นอาการรู้แจ้งในในภาวะที่เราสัมผัสอยู่นั้นเท่านั้นว่าคืออะไร ตามที่มันเป็นอยู่นี้คืออาการหนึ่งเดียวที่เป็นอาการรู้แจ้งในนี้คืออาการหนึ่งเดียวที่เป็นอาการรู้แจ้งในภาวะที่เราสัมผัสอยู่นั้นเท่านั้นว่าคืออะไรตามที่มันมีอยู่จริงเวทนาในองเล็บความรู้สึกที่เหลือของเราก็รู้แค่ อาการแท้ของภาวะนั้นหรือแม้เป็นอาการสองขององค์ประชุมรูปกับนามเน่งเล็บกายก็ไม่มีสุขและไม่มีทุกข์แล้วอย่างสนิทแห่งอาการเน่งเล็บอุเบกขาเวทนานั่นเองผู้สามารถทำธรรมะสองเน่งเล็บเทเวธทมาให้รวมพลังกันกลายเป็นรวมตัวเป็นธรรมะหนึ่งเดียว เน่งเลพเอกสโมโสารณาและที่สุดกลายเป็นพลังงานอุเบกขาเวทนาที่มีประสิทธิภาพยิ่งเน่งเล็บเอกคตาถึง5ประเภทคือปริสุทธาเน่งเล็บความสะอาดปริโยธาตาเน่งเล็บสะอาดอยู่ได้แม้จะถูกกระทบกระแทกมุทุเน่งเล็บจิตหัวอ่อนกัมมัญญาเน่งเล็บ การงานที่ทำได้อย่างดีวิเศษประพัสราเนืเล็บสะอาดผ่องใสอยู่เสมอได้สำเร็จจริงหรือทำให้ศูนย์สิ้นไปเป็นอื่นหมดเลยไม่เหลือ ต, ตัวตนของภาวะเก่านั้นอีกนิรัน์ผู้สามารถควบคุมนิวเคลียร์ได้จึงเป็นนิวเคลียร์รีแอคชั่น จึงเป็น actor, นิวเคลียร์รีแอคเตอร์ในองเล็บอาริยะบุคคลที่แท้จริงผู้สามารถใช้งานอุเบกขาธาตุที่มีคุณสมบัติอันวิเศษในองเล็บอุตริมนุษธรรมห้าประการดังกล่าวนั้นทำงานอยู่อย่างมีคุณค่าอันวิเศษในองเล็บอนุตริในเล็บอุตริมนุสธรรม ไม่มีโทษมีแต่คุณอยู่ในสังคมเพราะมีปัญญาที่รู้จักรู้แจ้งรู้จริงในความเป็นคุณในองเล็บคุณนะความเป็นโทษในองเล็บอาทินวะของภาวะนั้นนั้นจริงและมีสตทิที่ทรงพลังอำนาจยิ่งในองเล็บอธิปไตยจึงรู้ทันภาวะนั้นนั้นและมีปัญญาที่ทรงพลังเหนือภาวะนั้นๆนในงเล็บอุตระ อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เนือได้จริงจึงกลายเป็นหนังเล็บพวันติพลังงานทั้งปัญญาทั้งเจโตสามารถควบคุมพลังงานนั้นได้สำเร็จจริงผู้จัดการกับเวทนาได้สำเร็จจริงจึงสามารถจัดการพลังงานในไอโซโทปได้สำเร็จผู้ปฏิบัติมีมรรคผลจึงสังสมพลังงานเป็นอินรีย์าหนังเล็บสัตทินรี วิริยินทรีสตินทรีสมาธินทรีปัญญิทรีและที่สุดสำเร็จเป็นผลธรรมถึงขั้นมีพระห้าในองเล็บศรัทธาพระวิริยะพระสติพระสมาธิพระปัญญาพระอันเป็นโลกุตระภูมิเพราะขันห้าที่เป็นรูปูปทานขัน เวทนูปาทานขันโธสัญญูปาทานขันโธสังขารูปาทานขันโธวิญญาณูปาทานขันโธถูกชาระล้างอุปทานออกไปสมรรถ จ, จริงจนกระทั่งอุปทานหมดสิ้นเกลี้ยงจากจิตรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ที่เป็นขันห้าของผู้ชื่อว่าอารหันจึงเป็นปรัมัา ธ, ธรรมที่เรียนรู้กันอย่างสำคัญมาจนจบซึ่งละเอียดลึกซึ้งหนึ่งเล็บนิปุนาซับซ้อนยิ่งหากใครไม่สมาทิฏฐิหรือแม้จะสมาทิฏฐิแต่ปฏิบัติยังไม่สามารถบรรลุผลบ้างแล้วอย่างเพียงพอจึงยากมากที่จะพูดกันรู้เรื่อง แม้รู้ก็เพียงตักกะหนึ่งเล็บรู้เหตุผลเท่านั้นในยุคพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นยุคปลายของพัฒกับของศาสนาพุทธแล้วมนุษย์ที่มีพอจะบรรลุพุทธธรรมขั้นโลกตระนั้นเหลือน้อยเต็มทีจนพระองค์ปริวิตกว่า ถ้าทรงประกาศศาสนาขึ้นแล้วจะมีเสียของหรือพระพุทธองค์ทรงมีพระปริวิตกป่านั้นแต่ด้วยพระมหาเมตตาการุณาอย่างสูงยิ่งนึ่งเล็บดังที่พูดกันด้วยบุคลาทิฐานว่ามีสหบดีพรมมาอาราธนาให้ทรงประกาศศาสนานั่นเอง จึงได้ทรงตัดสินพระไทยประกาศความเป็นศาสนาพุทธและพระองค์ตั้งพระไทยสอนคนแค่ให้บรรลุอรหัต ภ, ภูมิเท่านั้นคือทรงสอนแค่ใบไม้กับมือเดียวไม่ทรงสอนพิสดารอย่างกว้างขวางลึกล้ามากมายเป็นใบไม้ทั้งป่าหมายความว่าพระองค์ทรงสอนเพื่อสร้างศาสนาให้มี พระอรหันต์เท่านั้นไม่เจตนาสอนอย่างกว้างไกลลึกลำพิสดารมากมายหลากหลายเต็มพุทธภูมิสมบูรณ์ชัดๆก็คือทรงสอนให้คนบรรลุ ก, กันแค่อรหันต์เป็นหลักไม่ได้ตั้งพระไทยที่จะทรงสอนภูมิรู้ที่เป็นพุทธภูมิรู้ที่เป็นพุทธขั้นโพธิสัตว อย่างชัดเจนละเอียดไปจนกระทั่งครบสสตัวภูมิทั้งหลายให้รู้แจ้งกันสมบูรณ์ทั้ง9ก้าภูมิพระองค์จึงไม่ทรงเสียเวลาพยากรหลายสิ่งหลายอย่างก่อนให้เนื่นช้าเช่นพยากรเรื่องอัตตาเรื่องโลกเรื่องชีวะก่อนทรงสอนให้เริ่มต้นรู้ขั้นต้นของการปฏิบัติและขั้นกลางขั้นปลายที่จะบรรลุอรหันต แล้วพาปฏิบัติให้ดับอัตตาดับโลกรู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็นชีวะให้ได้บรรลุอรหันต์กันเร็วๆให้เพียงพอที่จะนำพาพระพุทธศาสนาไปได้ตามเหมาะสมกับยุคปลายยุคสุดท้ายของพัฒกับปีนี้เท่านั้นของพัฒกับนี้เท่านั้น ซึ่งก็ปฏิบัติเพื่อดับอัตตาในตนเพื่อเปลี่ยนโลกในตนเพื่อกำจัดอินทรีย์แห่งภาวะในตนนั่นแหละพระองค์จึงมุ่งสอนให้สัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องตน้นแล้วให้เริ่มปฏิบัติเพื่อกาจัดอัตตาในตนกันเลยดับโลกที่เป็นโลกิยะในตนกันเลยจัดการกับชีวิตอินทรีย์ในเล็บพลังงานของความมีชีวิตของอากุศลจิตในตนกันเลย กระทั่งสามารถบรรลุธรรมมีสภาวะรองรับเพียงพอเมื่อมีพื้นฐานพอนั่นแหละพระองค์จึงจะพยากรณ์ความเป็นอัตตาก็ดีความเป็นโลกก็ตามความเป็นชีวะก็ตามอย่างพิสดารสู่ฟังตามสมควรไปตามลำดับพระพุทธสมณะโคดมจึงตรัสว่าพระองค์ทรงสอนแค่ใบไม้กับมือเดียวไม่กว้างลึกพิสดาร เป็นใบไม้ทั้งป่าความรู้ในพุทธภูมิโพธิสัตว์จึงไม่ค่อยบริบูรณ์เหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในยุคต้นยุคกลางของพะทธกัป พ, พระพุทธสมณะโคดมจึงมุ่งให้เร่งเริ่มต้นปฏิบัติการเป็นหลักไม่เนื่นช้าแม้เพราะเพื่อเรียนรู้ปริยัตหลากหลายก่อนพุทธศาสนานั้นต้องปฏิบัติไปตามลาดับ ขั้นต้นขั้นกลางขั้นปลายจึงจะบรรลุธรรมซึ่งเป็นลำดับที่ลาดลุ่มลึกเหมือนมหาสมุทรไม่โคลเคลกอย่างหน้ามหาัศจรรย์ยิ่งนี่ก็สำคัญมากที่ทุกคนจะต้องปฏิบัติให้เป็นขั้นต้นขั้นกลางขั้นปลายกันจริงๆตามที่พระพระตามที่พระวจนะในพระไตรปิฎกเล่ม23ข้อ109 จึงจะสามารถเห็นในงเงล็บปสติด้วยการรู้จักรู้แจ้งรู้จริงในความเป็นโลกและในความเป็นอั ต, ตาอย่างสัมมาทิฐิแท้จริงและจะสามารถเกิดสติเป็นอธิปไตยในยงเงล็บอำนาจที่เป็นใหญ่กว่าโลกกว่าตาเป็นคุณสมบัติของอำนาจโดยธรรมและเกิดปัญญาเป็นอุตระในงเงล็บความรู้ที่พิเศษยิ่งที่สูงกว่าพิเศษกว่าความรู้ปุถุชนสามัญ ได้จริงตามลำดับตามที่พระพุทธเจ้าตรัสมูลสูตรสิบนงเล็บพระไตรปิฎกเล่ม24ข้อ58ไว้เป็นหลักอธิปไตยหรืออำนาจที่เป็นใหญ่กว่าโลกกว่าอัตตาเป็นคุณลักษณะของอำนาจโดยธรรมคืออำนาจที่เป็นธรรมหนงเลบธรรมมาธิปไตยที่พูดสัมมาทิฐิจริงจะได้จริงและอุตระคือหรือความรู้ ที่พิเศษยิ่งที่สูงกว่าพิเศษกว่าความรู้ปุถุชนสามัญ น, นี้ผู้สำ ม, มา ท, ทิจริงจะได้จริงจึงจะเป็นธรรมมาธิปไตยในองเล็บ อ, อำนาจที่เป็นคุณธรรมพิเศษซึ่งเป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติอย่างแท้จริงจากการปฏิบัติธรรมแบบพุทธซึ่งเป็นคุณวิเศษในองเล็บ อ, อุตตณิในองเล็บ อ, อุตตริมนุสธรรมที่เป็นคุณสมบัติเหนือสามัญในความเป็นมนุษย์ชมพูทวีป ขั้นสูงสุดถึงขั้นอรหันต์ซึ่งไม่ได้เป็นในซึ่งไม่ได้เป็นได้ในบุคคลที่มีสุระแนงเล็บภาวะหรือกายสติมันโตแนงเล็บมีสติตื่นเต็มทั้งภายนอกภายใน ซึ่งมีได้เป็นได้ในบุคคลที่มีสุระในวงเล็บภาวะหรือกายสติมันโตในวงเล็บมีสติตื่นเต็มทั้งภายนอกภายในโลกนี้ที่นี่เท่านั้นที่จะบรรลุพรหมจรรย์สู่ปราโลกในกวงเล็บโลกอื่นโลกอีกแบบโลกอีกแบบหนึ่งที่ต่างจากโลกปุถุชน ซึ่งพ้นไปจากโลกปุถุชนอย่างสัมมาทิฐิได้ในองเล็บอิทะพรมจิตในองเล็บอิทะพรมจริยะในองเล็บอิทะพรมจริตรในองเล็บอิทะพรหมจริยวาโส โลกนี้ที่นี่เท่านั้นที่จะปฏิบัติให้บรรลุพรหมโลกนี้ที่นี่เท่านั้นที่จะปฏิบัติให้บรรลุพรหมจริยสู่ปรโลกได้ห น, นึ่งเล็บอิทะพรหมจริยวาโสที่อื่นทวีปอื่นที่มนุษย์จะปฏิบัติให้เป็นมนุษย์อุตระกุรุทวีปสูงสุดมีโลกนี้ที่นี่เท่านั้น ที่จะปฏิบัติให้บรรลุพรหมจรรย์สู่ปารโลกได้หน่งเล็บอิทะพรหมจริยวาโสที่อื่นทวีปอื่นที่มนุษย์จะปฏิบัติให้เป็นมนุษย์อุตระกูรุทวีปสูงสุดไม่มีและสัมมาทิิแท้ ที่อาตมาว่ามานั้นก็คือสัมมาทิฏฐิสิบอันเป็นประธานของการปฏิบัติซึ่งประกอบด้วยมรจ7องค์จึงจะเกิดสัมมาส ม, มาธิตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในมหาจัตตารีสกสูตรหน่งเล็บพระไตรปิฎกเล่ม14ข้อ252ถึง281โลกสองที่มีมากหลากหลายแบบ ดังที่ยกอ้างมาให้ดูกันแล้วโลกสมโลก6ต่างๆที่กล่าวถึงมาทั้งหลายและอธิบายเพื่อเข้าใจไปปฏิบัติได้มาพอสมควรโลกคือโลกธรรม8ปนั่นแหละที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยในโลกที่ผู้ยังอวิชชัยหลงติดยึดและวนเวียนเป็นโลกไม่หยุดวนเพราะไม่มี ธรรมะเป็นที่หนึ่งนิมเลบเอกคตาจึงยังมีภาวะสองที่จะมีสังขารเป็นอารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์หากจะมีอารมณ์ไม่สุขไม่ทุกข์น่งเล็บอทุกขมสุขก็เป็นแบบพักยกเท่านั้นยังไม่พ้นอวิชชาคือเคหะสิตะอุเบขาเวทนาซึ่งยังไม่ได้ปฏิบัติอย่างสัมมาทิฏฐิจนกระทั่งเป็นอารมณ์ไม่ทุกข อารมณ์ไม่สุขที่ไม่สุขไม่ทุกข์คืออุเบกขาแบบสิ้นเหตุแห่งทุกแห่งสุขเนีงเล็บเนคขมาสิตะอุเบกขาเวทนาสมบูรณ์แท้จริงชนิดที่เที่ยงแท้นงเล็บนิจจังยั่งยืนเนงเล็บท่วงตลอดไปนงเล็บสัตตังไม่เปลี่ยนแปลงอีกเนงเล็บอวิปรินามธรรมังไม่มีอะไรหักล้างได้นงเล็บอสังหีรัง ไม่กลับกรนมาเริบมในองเล็บ อ, อสังกุปปังตามที่อาตมาเคยพูดเป็นคำบาลีหคํานี้มาบ่อยๆซ้ำซากจนหน้าเบื่อดังนั้นผู้ยังไม่รู้จักรู้แจ้งความเป็นโลกไม่มีโลกาวิทูในองเล็บความรู้แจ้งในความเป็นโลกตามทฤษฎีอันวิเศษพระพุทธเจ้าก็ยังไม่หมดโลกในตน ยังไม่สิ้นความเป็นโลกกระทั่งเป็นผู้ประเสริฐ ส, สุดสิ้นทุกข์สิ้นภายในโลกอยู่เป็นผู้มีโลกนิโรธได้จริงอย่างสัมมาทิฏฐิไม่ตกเป็นทาตโลกหรือโลกีที่มีลาบยศสันเริญสุขโลกีเป็นธรรมดาของปุถุชนผู้หลงในองเล็บโมหะผู้ติดอยู่ในวงเล็บอุปทาน เทาย่อมเสพย่อมแสวงหาย่อมหวงแหนย่อมแย่งชิงย่อมต่อสู้มาให้ตนจนร้ายจนแรงส่วนอัตตาหรือตัวตนนั้นก็คือภาวะของจิตใจนั่นแหละเป็นตัวตนจริงๆซึ่งจะต้องเรียนรู้จิตเจตสิก ร, รูปนิพพานให้ได้จนสำเร็จจากรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันเป็นอยู่อย่างมีเหตุ มีสมุทัยเป็นปัจจัยต่อกันและกันที่เกิดปฏิจจสมุปบาททั้งสายทั้งสายอนุโลมปฏิโลมกันอยู่มันก็เหมือนสายของคโครโมโซมอันเป็นธรรมะสองของชีวะที่เรียกว่าเพศชายกับเพศหญิงหรือในคโครโมโซมก็สามารถแยกเป็นสองคือออโตโซม หนงเล็บโครโมโซมในร่างกายกับ ch om, เซกโครโมโซมกับเซกโครโมโซมหงเล็บโครโมโซมเพศโดยโครโมโซมจะเป็นการจับคู่กันของโครโมโซมสองตัวที่มีลักษณะต่างกันคือโครโมโซม x เป็นตัวกาหนดเพศหญิง และโครโมโซม y เป็นตัวกำหนดเพศชายซึ่งมีขนาดเล็กกว่าโครโมโซม x นี่คือธรรมะสองหนึ่งเล็บเทวธรรมาซึ่งเป็นส่วนที่แตกต่างกันและเป็นนามธรรมเป็ น, ปนและเป็นนามธรรมขั้นปรมัทธรรมพระพุทธเจ้าทรงแยกเป็นรูปกับนามรูปหมายถึงภาวะที่ถูกรู้หนึ่งเล็บ เป็นอ็อบเจกต์ส่วนนามหมายถึงธาตุรู้หรือภาวะที่เข้าไปรู้หนึ่งเล็บเป็นซับเจกต์นั่นคือจะต้องรู้จักนามรูปหนึ่งเล็บภาวะนามธรรมของเราเองที่ถูกรู้ซึ่งจะรู้ได้ด้วยสัญญาหรือปัญญาของตนเองนั่นเองและจะสามารถเรียนได้จาก นามห้าคือเวทนาสัญญาเจตนาภาษะมนสิการกับรูปย8สิบแปดคือมหาภูต ร, รูปสี่กับอุปทยรูปย4่ิส่นงเล็บพระไตรปิฎกเล่ม16บข้อสี่ในตัวเราของเรานี่เองอันเป็นธรรมะสองหรือเรียกว่ากายหนังเล็บองค์ประกอบของรูปกับนาม เราจรึงจะสามารถได้รู้จักรู้แจ้งรู้จริงในความเป็นเซลล์เพศหรือกายของชีวะที่ถูกสร้างขึ้นมาแต่ละอัตราจะมีคโครโมโซมเพศหรื อ, อคือคโครโมโซมที่ต่างกันในเล็บลิงคะเพียงชุดเดียวโดยที่เซลของโดยที่เซลลเผ่าพันธุ์ของเพศชาย แรเล็บสเปิร์มหรือไคเนติกเอเนจีจะมีเซลลเผ่าพันธุ์ซึ่งชีวิตของคนเขาค้นพบว่ามีคโครโมโซมอสอ ง, สองมีคโครโมโซมสองชนิดคือ22บวก X หรือ22บวก Y ส่วนชีวิตของสัตว์นั้นสัตว์แต่ละชนิดจะแตกต่างกันไปใน จะแตกต่างกันไปทั้งในความเป็นรูปธรรมและนามธรรมก็ขอผ่านเรามาพูดเฉพาะเรื่องของมนุษย์มนุษย์นั้นเซลลเผ่าพัาพนธุ์ของเพศหญิงในเล็บไข่หรือนิวเคลียสของเซลล์จะมีคโครโมโซมได้เพียงชนิดเดียวคือ22บวก X ดังนั้น โอกาสในการเกิดชีวิตอินทรีย์ของเพศหญิงในวงเล็บโครโมโซมส4บวก xx ก็ดีชีวิตอินทรีย์ของเพศชายในวงเล็บโครโมโซมส4บวก xy ก็ดีจึงเท่ากันในส่วนที่เป็น xx ทั้ง22คู่คู่ที่23เท่านั้นที่ต่างกันของเพศชายเพศหญิงคือเพศชายก็ดีคือเพศชายก็ xy เพศหญิงก็ xx ในแบบเทวนิยมไม่ว่าทางโลกหรือทางธรรมไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเวทนาในเวทนาได้หรือผู้ยังไม่รู้ในวงเล็บอวิชชาคว า, ความเป็นโล ก, กุตระธรรมแม้แต่ชาวพุทธที่ยังมิจฉาทิฏฐิอยู่ก็ไม่สามารถจัดการกับเวทนาให้เป็นเนฆามะสิตะเวทนาได้ในวงเล็บ ยังไม่สัมมาทิฐิในเวทนาร้อยแปไม่สามารถทำกายในกายให้เป็นธรรมกายได้หนึ่งเล็บการสะกดจิตเข้าไปในจิตมีแต่รู ป, ปรจิตอรู ป, ปรจิตไม่สามารถทำจิตเป็นลู ก, กุตรธรรมได้แม้แค่ทำเนคขมะสิตะเวทนาก็ไม่ได้ผู้ไม่มีธรรมกายจึงยาอวดโอบพร้อย ตราบใดที่ใครยังไม่มีพลังหรืออำนาจที่เหนือชั้นสามัญตังเล็บพลังงานที่เป็นโลกุตระธรรมคนผู้นั้นก็ไม่สามารถทําพลังงานที่เป็นนิวเคลียสของชีวะในตนที่มีการสัมผัสกระทบกระแทกตัวเล็บปฏิฆสัมผัสโซให้ภาวะโลกิยะนั้นเปลี่ยนแปลงไปเป็นภาวะโลกุตระได้ก็ไม่เป็นธรรมกาย เพราะฉะนั้นจึงขึ้นอยู่กับไคเนติกเอนยีที่เป็นพลังงานเข้าทำปฏิกิริยากับนิวเคลียสของชีวะว่าจะเป็นพลังงานอันมีคุณวิเศษที่เป็นพลังงานขั้นสตัตบุรุษหรือไม่ต้องเป็นพลังงานของสตัตบุรุษจริงจึงจะเข้าไปทำการกระทบสัมผัสในองเล็บปฏิกะสัมพัสโซนิวเคลียสนั้นจนมีพลังเปลี่ยน จีนโนมในวงเล็บจีโนมในโครโมโซมไปจนถึงในยีนใน DNA ธรรมออิตถินสีกลายเป็นปุริสินสีได้จากธรรมสองกลายเป็นในวงเล็บพระวันติเวทนาที่รวมลงเป็นหนึ่งนังเล็บเทวธรรมาเทวเยนะเวทนายะเอกสมุสณ า, ราพระวันตินั่นคือจากเคหะสิตะเวทนาหนวงเล็บ โลกีธรรมสุขเวทนาทุกเวทนากลายเป็นเนคข ม, มะสิตะเวทนาในอังเล็บโลกุตรธรรมถึงขั้นเนคข ม, มะสิตาอุเบขาเวทนาหรืออารมณ์ไม่สุขไม่ทุกข์ชนิดที่เป็นพลังงานของกุณวิเศษอริยบุคคลแท้ๆไม่ใช่แค่เคหะสิตะอุเบขาเวทนาแน่ๆและการเปลี่ยนเพศ ในเล็บลิงคะนี้ย่อมไม่ใช่การกระทําของหมอที่แปลงเพศให้กระเทยในวงเล็บจบฉบับที่สามร้อย